ความตมราจริงจังความมุ่งมั่นย่างจริงจังที่จะออกปฏิบัติเมื่อจบมหาป ร, ริญญาแล้วนี้เองทำให้การเรียนของท่านจึงไม่ใช่จะหาความรู้เพียงแค่วิชาในชั้นเรียนเท่านั้นแต่หาความรู้ใด จะเป็นประโยชน์ต่อการออกปฏิบัติกรรมฐานท่านจะพยายามศึกษาค้นคว้าตำรับตำราเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเต็มที่เฉพาะอย่างยิ่งจากพระไตรปิฎกสังเกตได้จากความตั้งใจของท่านที่ว่าเราจะเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจำได้เราจะจำ เราจะจดโน้ตคัดเอาไว้คัดเอาไว้ไวมีสมุดเล็กๆคัดเอาไว้ในนั้นในนั้นอันนี้มาจากเล่มนั้นเล่มนั้นช้าดกเล่มนั้นเล่มนั้นหน้าที่เท่านั้นจดไว้จดไว้เวลาเราต้องการความพิสดารเราก็ไปเปิดดูง่ายๆที่เราจดในส่วนมาก พอมองเห็นที่คัดไว้เท่านี้มันก็เข้าใจไปหมดแล้วเพราะอ่านมาแล้วนี่ก็ไม่จําเป็นต้องไปนค้นดูพระไตรปิฎกละเพราะฉะนั้นเวลาหนังสือผ่านมาที่ไหนที่ไหนถึงรู้ทันทีทันทีเพราะได้อ่านมาหมดมันอยู่ในขายของพระไตรปิฎกทั้งนั้นแหละที่นี่พระไตรปิฎก เราก็ค้นเสียจนพอก่อนที่จะออกมาปฏิบัติเวลาว่างจากเรียนหนังสือปิดโรงเรียนนั้นแหลเป็นเวลาคนน้นหนังสือเวลาเรียนหนังสือก็เรียนไปตามหลักวิชานั้นเสียครั้นเวลาห ย, ยุดเรียนหนังสือก็ค้นพระไตรปิฎกโนตโนตเอาไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในเวลาจะออกปฏิบัติ เพราะตั้งใจจะออกปฏิบัติเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นสมัยที่เรียนปริญญานั้นแม้จะมีอุปสรรคบางประการที่ทำให้มีข้อเสียเปรียบเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันอยู่บ้างแต่ด้วยความอุตสาหะปริยะของท่าน ปัญหาดังกล่าวก็ไม่มีผลแต่อย่างใดดังนี้หัวสมองเรานี่เกี่ยวกับความจามันอยู่ในย่านกลางนะดีก็ไม่ใช่ตมกว่านั้นก็ไม่ใช่อยู่ในย่านกลางนี่แหละเราจะเห็นได้าจากพวกมูเพื่อนที่เขาเรียนหนังสือด้วยกัน ท่องสองหนสามหนเท่านั้นเขาจําได้แล้วนะเรานี่เอาจนแทบเป็นแทบตายมันก็ไม่ได้ผิดกันมากนะท่องสูตรเดียวกันนี้เขาไปท่องมาชั่วโมงสองชั่วโมงเขาจําได้แล้วสูตรหนึ่งเราฟาดมันจนไม่ทราบกี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้นะผู้ที่หนากว่าเราก็ยังมีอีก นี่มันเทียบได้เราจึงอยู่ในย่านนี้ไม่ใช่ย่านนั้นคือย่านสูงกว่านั้นเราก็ไม่ได้เหตุข้างต้นนี้เองทำให้ท่านต้องขยันมันเพียงอย่างหนักอย่างไรก็ตามท่านก็ไม่ได้รู้สึกท้อถอยน้อยใจกลับตั้งอกตั้งใจเรียนยิ่งขึ้นไปอีก ไปฟังธรรมจากพระปฏิบัติระยะต่อมาท่านได้ย้ายมาเรียนป ร, ริญตาอยู่ที่วัดสุทธกินดาในอำเภอเมือง น, นครราชสีมาแม้ต้องมีภา ร, ระเพิ่มขึ้น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 เฟือมีน้ำใจต่อมาเมื่อท่านเข้าเรียนหนังสือที่กรุงเทพจึงได้มาพักอยู่ที่วัดบรมยิวารที่วัดนี้มีการจัดแบ่งพระเนนออกเป็นคณะคณะของท่านมีเจ้าคุณอาจารย์ เป็นหัวหน้าคณะอยู่แต่เจ้าคุณมอบให้ท่านเป็นผู้ช่วยดูแลคณะภาระหลายประการจึงตกมาถึงท่านนอกเหนือจากภาระการเรียนซึ่งปกติก็นักมากอยู่แล้วเป็นที่รับทราบกันดีในหมู่พระเนนถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อไม่ตรณีทีเหนียวของท่านในยามที่มีจตุปัจจัยไหยทานเข้ามามากน้อยท่านจะแบ่งปันสิ่งของต่างๆออกแจกจ่ายพระเนนอย่างทั่วถึงหมดเหตุนี้เองทำให้คณะของท่านมีพระเนนมาอยู่ด้วยจานวนมากท่านเคยกล่าวดังนี้ ตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มน้อยเราไปอยู่วัดไหนหากสมพานตรีเราอยู่ไม่ได้นะมันคับหัวอกเราเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะเรียนหนังสือก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคณะของเรานี้มีเรามีเขาที่ไหนของตกมาหาเรานี่พระเนรนี้รุมพึบเดียวหมดเลย นั่นแหละเป็นอันเดียวกันมาตลอดเรียนหนังสือก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยว่านี่เป็นของเรานั้นเป็นของท่านเหมือนครัวเรือนเดียวกันเราไปไหนมาได้ของมากน้อยพระเนนนี้พรึบเดียวหมดเลยพระเนนแย่งกันก็เหมือนกับเราอยู่ในครัวเรือน คือแย่งกันในฐานะพระเนรในวัดแย่งกันแบบพระว่างันแย่งแบบครวาดแย่งแบบพ่อแม่กับลูกในครอบครัวเป็นอย่างหนึ่งการแย่งกันมีหลายประเภทนี่แย่งแบบพระมันก็น่าดูดูด้วยความตายใจพออะไรมานี้ตายใจแล้วรึบเลยไม่เคยเก็ด ไม่เคยสั่งสมแต่ไหนแต่ไรคณะของเราช่วงเรียนหนังสือจึงมีพระเต็มไปหมดเราไปอยู่ที่ไหนคณะของเราจะมากที่สุดมากกว่าเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฝูงเต็มไปหมดเพราะความเสียสละ คุณนักเสียสละท่านให้ความเคารพนับถือเจ้าคุณาจารย์อย่างสูงไม่เพียงเพราะเจ้าคุณเป็นอาจารย์สอนปริยติธรรมให้แก่ท่านเท่านั้นคุณธรรมของท่านเจ้าคุณเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นนักเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ท่าน ต้องกล่าวถึงอยู่เสมอๆ อ, อย่างไม่มีวันลืมเลือนได้เลยดังคำพูดคราวหนึ่งว่าเรายังได้คิดถึงสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมธโ ร, รเรียนหกประโยคนั่นท่านเป็นนักเสียสละนะ เราเคยอยู่ด้วยแล้วถึงไหนถึงกันท่านไปไหนมานี้พระเนรรุมพลึบเลยหมดเลยหมดเลยท่านเป็นนักเสียสลัดไม่สนใจได้มาเท่าไหร่บทเวลาท่านจะพูดท่านก็พูดของท่านพูดเฉยเฉยเอาของมาเต็มอยู่นี่มันมีผ้าไหมดีๆอยู่มาจากเมืองอุบล ผ้าไหมผ้าอะไรเขาทอมาถวายท่านพอมาถึงท่านเออผ้าไหมให้ระวังให้รีบเก็บนะเดี๋ยวอิตาจะมาเอาหมดนะอิตานี้เป็นมหาและเป็นหลานท่านเองบอกให้รีบเอาไปซะของไหนดีดเดี๋ยวมันเอาไปหมดว่าเท่านั้นแหละแล้วไม่เคยพูดถึงอีกเลย มีเท่านั้นนี่เรียกว่าคำพูดติดปากเฉยๆท่านไม่ได้พูดด้วยความหึงหวงความหมายก็คือว่าเอาไว้เผื่อว่ามันจําเป็นอง์ไหนที่ควรท่านจะสั่งจัดให้เลยนี่เรียกว่านักเสียสละเราเทิดที่สุดเลยเพราะนิสัยท่าน กับนิสัยเราเข้ากันได้ปุ๊บบเลยเราฝังลึกแล้วว่าท่านคือนักเสียสละนี่องค์หนึ่งที่เป็นพระนักเสียสละท่านไม่มีได้มาเท่าไหร่หมดไม่มีเหลือหมดหมดเลยท่านกล่าวยกย่องน้ำใจของท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่า เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางไม่สังสมและไม่ตรณีที่เหนียวในจตุปัจจัยไทยทานต่างๆเลยมีแต่นำออกจ่ายแจกแกบ่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระเนนเสมอมาท่านเจ้าคุณเคยสั่งให้นำของจำนวนมากออกทำสลากและ ให้พระเนนทุกรูปได้จับสลากแบ่งปันกันท่านเจ้าคุณก็ไม่ได้เคยให้ความสนใจในสิ่งของเหล่านั้นเพื่อตัวของท่านเองเลยเหตุนี้เองด้วยความระลึกถึงท่านเจ้าคุณอยากให้ท่านได้ใช้ของดีๆบ้างในคราวหนึ่งท่าน จึงได้แอบเอาจีวรชุดหนึ่งแยกเก็บไว้ต่างหากเพื่อไม่ให้นามาติดสลากร่วมด้วยคิดไว้ในใจว่าเพื่อจะไว้เปลี่ยนถวายใหม่ให้ท่านเจ้าขุนบ้างแต่ต่อมาภายหลังเมื่อท่านเจ้าคุณสังเกตเห็นจีวรยังคงเก็บอยู่ในตู้นหนึ่งชุดดังเดิมจึงถามท่านว่าทำไม ไม่ได้นำจีวรชุดนี้ไปจับสลากแจกให้พระเนมท่านให้เหตุผลแก่ท่านเจ้าคุณว่าในบางคราวจีวรของเจ้าคุณอาจารย์อาจชารุดเสียหายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นไฟไหม้หรือหนูกัดก็จะมีเปลี่ยนได้ทันทีครับกระผมคำตอบนี้ ทำให้ท่านเจ้าคุณท้องจำยอมด้วยเหตุผลพบเห็นสมณะผู้ประเสริฐ ในระยะที่ท่านยังเรียนหนังสืออยู่นั้นกิตติศัพท์กิตุคุณของท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตมิเคยได้จือจางลงไปเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฟุ้งขจรกระจา ย, ยางกว้างขวางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าท่านเป็นพระสำคัญรูปหนึ่งส่วนมาก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 เพื่อตัดข้อสงสัยที่ฝังใจอยู่นี้ออกไปให้จงได้โอกาสอำนวยให้ท่านเดินทางไปศึกษาปริยต่อที่วัดเจดีหลวงยังวัดเชียงใหม่เมื่อเดินทางไปถึงเผอิญเป็นระยะเดียวกันกับที่ท่านเจ้าคุณ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 เกิดความรู้สึกเลื่อมใสในองค์ท่านขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้นว่าเราไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติได้เห็นพระอรหันต์ในคราวนี้แล้วความรู้สึกในครั้งนี้ท่านว่าหากแม้ไม่เคยมีใครบอกว่า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 เทที่วัดเจดีหลวงสามชัวงง่วโมงเทพวิสาขบูชาผมก็ไปถึงใหม่ใหม่ท่านมาถึงก่อนผมสองวันหรือสามวันผมก็ไปถึงท่านป่วยอยู่ที่บ้านปาเปิดท่านออกมาครั้งนั้นเพราะรับนิมนต์ท่านเจ้าขุนอุปชายยะของเรานี่เองท่านออกมาเพราะนัดกันแล้วว่า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 เทพอยู่วิหารใหญ่ทางรถผ่านหน้าวัดจนเขาแตกตื่นเข้ามาดูเขาว่าพระทะเลาะกันมาดูก็เห็นท่านอาจารย์มั่นเทศอยู่บนธรรมบ้านนั่นละ่ะขนาดนั้นละ่ะท่านเทศเปรี้ยงเปรี่ยงเอาอย่างถึงเหตุถึงผลแต่เราก็เพลินไปด้วยความเลื่อมใสท่านนะจะให้รู้เรื่องรู้ราวในเรื่องท่านเทศ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 คือพระอริยบุคคลเราก็ยิ่งอยากจะทราบอริยบุคคลชั้นไหนมันก็มีหลายชั้นนี่นะอริยบุคคลอรหันนั่นแหละว่างนี้เลยอรหัตบุคลว่างนี้มันก็ยิ่งซึ้งนะสิ เวลาไปถึงใหม่ๆท่านไปบินทบาทสายไหนสายไหนสอบถามได้ความว่าท่านออกไปนี่แล้วท่านบินทบาทแล้วกลับมาทางนี้ธรรมดาท่านไปสายสายท่านกลับมาสายสายเราบินทบาทแต่เช้ากลับมาก็เตรียมท่าคอยดูทางเรายังไม่เห็นเดี๋ยวพระมาบอกว่ามาแล้ว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 เราไม่ลืมนะไม่เสียชาติเป็นมนุษย์แต่ท่านจะเห็นเรายังไงก็ไม่รู้นะเราหากเป็นบ้าดูแบบบ้าเรานั่นแหละญญหลังจากนั้นไม่นานท่านอาจารย์มั่น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 คะแนนเต็มร้อยในการศึกษาวิชาภาษาบาลีของท่านนั้นถึงแม้การสอบครั้งแรกจะยังไม่ผ่านแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจแต่อย่างใดท่านยอมรับตามนั้นเพราะทราบดีว่าภูมิความรู้ของตนในตอนนั้น ยังไม่เต็มที่จริงๆสำหรับการสอบในครั้งต่อๆไปนั้นท่านมีความมั่นใจอย่างเต็มภูมิว่าแม้จะสอบหรือไม่สอบก็ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องความรู้ทั้งนี้ก็ด้วยความสามารถที่ได้แสดงให้ครูสอนบาลีของท่านคือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์พิมพ์ ธรรมะทะโรเห็นในระหว่างที่เรียนเพื่อจะสอบมหาป ร, ริญญาให้ได้ในการสอบเป็นครั้งที่สามครูของท่านถึงกับออกปากว่าท่านบัวนี้ได้แต่ก่อนสอบนะให้เป็นมหาเลยนะถ้าลงท่านบัวตกนักเรียนทั้งชั้นตกหมดซึ่งก็เป็นจริงตามนั้น คือท่านสอบได้เป็นมหาปริญญโดยได้คะแนนบาลีเต็มรอยในเวลาต่อมาท่านเล่าให้ลูกศิษย์ลุงหาฟังว่าการสอบได้ในครั้งนั้นไม่มีอะไรดีใจเลยเพราะรู้สึกว่า ความรู้ได้เต็มภูมิตั้งแต่การสอบครั้งที่สองแล้วแต่ในครั้งนั้นปรากฏว่าสอบตกเหมือนกับจะให้คอยการศึกษาทางนักธรรมขยับขึ้นมาตามจนถึงปีที่สอบมหาได้ก็สำเร็จนักธรรมเอกพร้อมกันเลยซึ่งน่าคิดว่าเหมือนมีสายเกี่ยวโยงกัน ทำให้การศึกษาทางโลกจบระถมสามทางบาลีก็จบป ร, ริญญสามและทางนักธรรมก็จบนักธรรมเอกเป็นสามตรงกันหมดสามวาระด้วยผลการเรียนดีและเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ทำให้ผู้ใหญ่หวังจะให้ท่านเป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนแต่ท่านก็ได้ปฏิเสธอย่างละมุนละม่ะมอมดังนี้เรียนออกมานักรมตรีนักรมโทนักธทมเอกรเรียนไม่สอนใครทั้งนั้น เป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนก็ไม่เอาผู้ใหญ่ท่านจะให้เป็นครูสอนไม่เอาครูไม่อดไม่อยากเอาองไหนก็ได้เราว่าอย่างนั้นเสียเราเลยหลีกได้ถ้าหากว่าครูไม่มีจริงๆเราจะหลีกอย่างนั้นมันก็ไม่งามแต่นี้ครูก็มีอยู่ผู้มีภูมินั้นมีอยู่ ที่จะเป็นครูเราก็ทิ้งให้องค์นั้นองค์นั้นไปเสียเราก็ออกได้เราจึงไม่เป็นครูใครเลยนักทมต ร, ร, ร, มทรีนักรรโทนักทำเอกมหาป ร, ริยงไม่เคยเป็นครูสอนใครทั้งนั้น การศึกษาด้านปริยดของท่านเป็นอันสิ้นสุดลงที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2484นับเป็นปีที่ท่านบวชได้7พรรษาพอดีโดยสอบได้ทั้งนักธรรมเอกและปรียน3สามประโยคในปีเดียวกัน